ในวันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น15ค่ำเดือน10เดือน10เพนปี 2,547 วันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปก็คงจะสวดท้ายประปฏิโมกอวาทัพปฏิโมกในวัน ลงโอบสดเช่นนี้ตามประเพณีของครูบาอาจารย์ท่านให้ปรารบเกี่ยวกับวินยัยและการอยู่ร่วมกันของสงจะทํายังไงสงจึงจะมีความพร้อมเพียงสา ม, มัคคีกันบัญญัติวินัยขึ้นมาก็เพื่อให้พระสงฆ์มีความพร้อมเพียงสา ม, มัคคีวิณัยทั้งหมดโดยมากเพื่อความผาสุก ข, ของหมู่สง ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้คล้ายๆกับว่าปกป้องให้มีแต่น้ำใสสะอาดอยู่ในวงการสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญที่ดีของพุทธบริษัทสีเป็นเนื้อนาบุญของอุบาสกอุบาสิกาผู้ปลูกฝังได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนา คือพระสงฆ์ที่ทรงศีลเป็นน้ำใสสะอาดเมื่อน้ำใสสะอาดก็พร้อมที่จะอาบกินใช้สอยไม่สะทกไม่สะทานนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์ที่อยู่วงในที่เป็นแนวหน้าอย่างพวกเราทั้งทั้งหลายที่ลงอุโบสถด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเป็น สามสิบกว่ารูปเนี่ยก็คือเนื้อนาบุญในยุคนี้ว่าสงส ม, สมุติสมมติติสงหรือจะองค์ไหนเป็นอริยะสงก็สุดแท้แต่แต่ว่าที่รู้กันอยู่อะสงสมมติสมตสมติติสงแต่ถึงยังไงก็ตาม ถึงจะเป็นอริยสงฆ์หรือสงสมมติก็ให้อยู่ให้กรอบพวกเราอยู่ในกรอบของศีลธรรมส่วนอริยสงฆ์นั้นท่านเป็นศีลอัตโนมัติของท่านแล้วไม่ต้องพูดถึงโดยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงสมมติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยควรจะตั้งอกตั้งใจอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินยัยยึดหลักธรรมวินัยเป็นหลัก อย่าให้ออกนอกรูนอกทางการอยู่ร่วมกันหลายหลายองค์ให้ระมัดระวังการพูดหยอกล้อเล่นกันอย่างที่ผมเคยพูดมาแต่ก่อนเก่าตั้งแต่ริเริ่มจาพรรษาเบื้องต้นการอยู่ร่วมกันอย่าไปหยอกไปล้อกันนะมันจะทำเป็นสัญญาอารมณ์ผมก็เคยเตือนหมู่พวกเพื่อนเอาไว้เพราะว่าผมกลัว ที่มันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นคือขณะที่อยู่ร่วมกันขณะที่เข้าใจกันก็พูดล้อเล่นกันได้หยอกล้อกันได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าในขณะนั้นองค์นั้นนะ่ะมีอารมณ์บูดอย่างไรเพราะอารมณ์ปุตชนเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ทต่นี้พอแย่เข้าไปองค์นั้นก็อารมณ์ คุณเคืองอารมณ์บูดอยู่แล้วก็พูดออกมาพูดออกมากันอ่ะอมันไม่ใช่เรื่องท้องธรรมดาเป็นเรื่องการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในกลุ่มคือสาเหตุก็คือการพูดหยอกล้อกันเล่นเพราะนั้นผมเคยพูดเตือนหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายไว้อยู่เสมออย่าไปพูดล้อเล่นกันจนเกินความงามให้ระมัดระวังทางด้านจิตใจ ถึงเราจะออกไปเป็นครวตัตก็ตามการไปอยู่กับหมู่กับเพื่อนหรือก็ททำงานร่วมบริษัทห้างร้านมีลูกน้องมีเจ้านายก็เหมือนกันการพูดล้อเล่นหยอกล้อกันเล่นในสำนักงานอย่านะอย่าทำถ้าพูดก็พูดเป็นธรรมดาอย่างพูดกล้อเล่นกับนิดนินหน่อยหนอยไม่เป็นไรแต่ถ้านานๆเจอกันเราพูดล้อเล่นก็ไม่เป็นไรพอพูดแล้วก็ ต่างคนก็ต่างถอยออกจากกันแต่ถ้าเราจะอยู่ร่วมกันแล้วไม่ควรจะพูดล้อเล่นกันถ้าพูดล้อเล่นกันเป็นสาเหตุแห่งการทรเาะิวาทออกจากจุดนี้เป็นส่วนมากทีเดียวเพราะนั้นผมจึงได้ย้าไว้อยู่เสมอว่าการอยู่ร่วมกันให้ระมัดระวังผู้น้อยเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่อย่าให้ก้าวกายซึ่งกันและกันผู้ใหญ่ก็เห็น พวกพระน้องทั้งหลายก็เหมือนกับ น, น้องชายของเราพวกที่เข้ามาบวชใหม่เห็นรุ่นพี่ก็เหมือนกับพี่ชายของเราเพราะในหลักของพุทธศาสนาถืออวุโสในการบวชก่อ น, นเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันท่า่าเคารพซึ่งกันและกันพวกเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขการบวชเข้ามาของพวกเราเราบวชมาเพื่ออะไร ต้องมีจุดยืนของเราเองไม่ใช่ว่าเราบวชมาเพื่ออยู่เพื่อกินเราไม่ใช่บวชมาเพื่อจะให้นักอกหนักใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไม่ได้บวชมาเพื่อจะทำลายพระพุทธศาสนาเราบวชมาเพื่อส่งเสริมคุณงามความดีเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาพร้อมกันก็เป็นการบวชเข้ามาเพื่อกัดเกลา้า ฝึกหัดดัดนิสัยของตัวเองเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทดแทนบุญคุณของบิดามารดาที่ท่านได้เลี้ยงเราม า, เ, าเราตั้งอกตั้งใจบวช ด, ด้วยความจริงใจบวช ด, ด้วยความเสียสละเป็นเวลาสามเดือนอบวช ด, ด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อหวังบุญกุศลจริงๆทุกสิ่งทุกอย่าง เ, าเราได้เสียสละเอาหมดในเวลาสามเดือนนี าการทํามาค้าขายการทําอะไรก็ตามทางโลกการเล่าเรียนศึกษาอะไรก็ตามเรางดทั้งหมดในสมเดือนนี่เป็นชีวิตของพระเป็นชีวิตของพระพุทธศาสนาอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุทิศ ต, ต่อคุณงามความดีให้มีความมั่นใจอย่างนั้นให้มีความตั้งใจอย่างนั้นในขณะที่บวชเพียงสมเดือนถ้าออกจากสามเดือนไปแล้ว เป็นเวลาหลายปีถึงบางท่านก็อาจจะ 6, 0สิบเจดสบปดสิปีในสามเดือนให้มีคุณค่าให้เป็นที่ระลึกไว้ในใจอย่าให้ด่างพร้อยอย่าให้มีมนทินอย่าให้มีที่ตำหนิตัวเองให้เป็นขาวสะอาดให้ตั้งอกตั้งใจการพูดการกระทาการคิดอะไรก็ตามให้เป็นพระ ตามแนวแถวของพระพุทธเจา้าพระธรรมประสงค์ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นการพูดทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนมีขันติมีความเพียรมีการใช้ปัญญาการจะพูดจะพาทีอะไรก็าตามให้ระมัดระวังถึงจะบวชใหม่แต่ก็ให้ใหม่แต่แนวการบวชแต่ส่วนจิตใจนะั้นคือความมุ่งมั่น ที่จะก้าวไปสู่ความดีคุณงามความดีเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปจนเป็นผู้ดีเลิศแล้วก็นำธรรมะที่พวกเราได้ศึกษาในขณะที่บวชอยู่นี้นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นผลดีสำหรับเราเป็นอนันตาการไม่มีที่สิ้นสุดในเมื่อเราศึกษาดูแล้วได้แล้วซึ่งธรรมะแนวความคิดต่างๆ การมองรอบตัวการมองรอบคนอื่นการมองกันผมเองผมไม่ได้มองมองหมู่พวกเพื่อนเป็นอย่างอื่นถือว่าเป็นอวั ย, ยวะของผมเองทั้งหมดทั้งทั้งเก่าและทั้งใหม่พวกระดับเก่าผมก็จะต้องเน้นหนะักเพราะต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นตัวนําจะเป็นครูบาอาจารย์ อ, องค์ไหนที่มีบุญวาสนาบา ร, รมีที่จะเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นหลักเป็นฐานต่อไปอย่างที่ออกเป็นเจ้าอาวาสก็หลายองค์อันนี้ก็ผมก็เน้นหนักบุกดุด่ด า, ว า, าว่ากล่าวอย่างเข้มงวดกวดขันแต่ผมไม่ได้ทําเพื่อผมเลยถ้าไปแล้วผมได้อะไรผมก็ไม่ได้อะไรจากลูกนอ้องเอมีแต่การอยู่แล้วก็พยายามแนะนําสั่งสอนอบรมให้เป็นพระที่ดีเอเมื่อไปเป็นหัวหน้าแล้วก็เออเอาบริหารวัดวาศาสนา เป็นสมบัติของชาติของพระศาสนาต่อไปถ้าใครไมไ่รับการศึกษาที่ดีออกไปกับแบบตโต๊โต๊ะตเตี๋ยมันจะทำอะไรไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ผมก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นในเมื่อผมล่อล้อมผมเองเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่เบื้องต้นผมจะต้องดูแลเข้มงวดกวดขันดุด่าว่ากก่าว เ, เหมือนกับตีเหล็กนั่นแหะเหล็กพอจะเป็นอะไรจะเป็นมีดเป็นขวานเป็นพระ เป็นเสียมเป็นอะไรก็ตามผมก็พยายามตีให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าตีไปตีมาจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นถ้าเป็นมีดต้องห้องเบี้ยวก็บิดอย่างนี้มันก็ทำยังไงก็ต้องโยนทิ้งแปลว่าใช้ไม่ได้เหล็กอันนั้นอันนี้ก็เหมือนกันการที่อบรมสั่งสอนผมผมลักษณะนั้นเหมือนกันที่อบรมพระรุ่นใหม่รุ่นเก่า ที่จะเป็นครูบ า, าจารย์เรียกว่านักมวยอาชีพบา ง, งั้นเถอะอะคือบวชประจําแต่สําหรับผู้ที่เข้ามาบวชใหม่สามสี่เดือนหรือข้าราชการหรือว่าเป็นพ่อค้าประชาชนที่เข้ามาบวชผมก็คิดอีกอย่างหนึ่งเอผมวางอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้เข้มงวดขวดขันเหมือนกับพระเก่าเพราะเหตุว่าบวชเข้ามาชัว่วคราวได้ขนาดใดขนาดหนึ่งก็พอแล้วแต่เรื่องยังไงก็ให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินยัย อย่าให้มีเรื่องมีเราจะให้มันมีอะไรเกิดขึ้นในวงการสงฆ์เพียงเท่านั้นละ่ะพอแต่ววตเข้ามาแล้วทำตัวไม่ดีสมัมมะเลเทเมาบางทีบางแห่งบางสำนักเล่นตะกงสักกาเล่นมักคอตมักอะไรกินเหล้าเมายาอะไรไม่ควรจะมีในวัดของเรารับไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นให้อยู่ในกรอบถึงยังไงขอถ้ามาอยู่ในกรอ บ, อรออบของหลักธรรมายในแล้วถึงจะ น, นิสัยกิริยามารยาทอย่างอื่นผมก็ยังยืดหยุนเพราะว่าเป็นผู้บวชใหม่แต่ถึงยังไงผมก็ถือว่าการปกครองของผม เ, เหมือนกับ น, นิ้วมือนิ้วมือหานิ้ว น, นิ้วมือสิบนิ้วนซะสายขวานการใช้งานมันก็ใช้ไม่เหมือนกันความเฉลียวฉลาดของหมูฟกเพื่อนก็ไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน อย่างนิ้วโป้งนิ้วหัวไม่โป้งเราทำอะไรเอี่ยเก็ทำอีกระดับหนึ่งนิ้วชี้เราทำอะไรนิ้วกลางเราทำอะไรนิ้วนางเรานิ้วก้อยเราทำอะไรสรุปแล้วก็คือมีประโยชน์ทุกนิ้วถ้าว่าขาดนิ้วใดตัวหนึ่งก็คือขาดอย่างขาดนิ้วโป้งจะนี่เออที่เราจะไปทำอะไรที่เกี่ยวกับนิ้วโป้งที่จะต้องได้ใช้งานไม่ได้แต่นิ้วก้อยทาอะไรเอถ้าไม่มีอะไรแย่ง คีวหูหน่ะเม่มันก็มีประโยชน์ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งมันคงไปได้เพรบะนั้นผมมองหมูพวกเพื่อนพวกองค์เป็นอวัยวะของผมทั้งหมดผมมองในภาพรวมจะสั่งสอนแนะนําอย่างไรมากน้อยอย่างไรแค่ไหนนีผมเองอรักเมตตาทุกองเออยู่กินใช้ช้อยอยังไงหรือว่าหมูพวกเพื่อนอได้รับอยู่ใต้บังคับ บางชาหรือว่าอยู่เป็นทุกศิทธิ์ลูกหาของผมเองผมก็ยินดีรับฟังที่เสนอข้อเสนอแนละขึ้นมาขึงจะไม่กล้าพูดก็เอาเขียนเป็นหนังสือขึ้นมาก็ได้แ่วหลวงพ่อเนะี่ยการปกครองของหลวงพ่อเนะี่ยขาดตกย่อนตรงนั้นตรงนี้ผมขอเสนอกราบเรียนหลวงพ่อแก้ไขปรับปรุงผมก็ยินดีรับฟังผมก็จะมาวิเคราะห์เข้ากับหลักธรรมพินัยแล้วก็วิเคราะห์ เข้ากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาเป็นอย่างไรในการเสนอแนะนั้นมันเข้ากันได้ไหมถ้าเสนอแนออกนอกลู่นอกทางผมก็ทําไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะผมได้ศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลักธรรมวินัยมาอย่างนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็การศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ทันสมัยเหมือนทางโลกเขาเนี่ยโลกเขาว่ายังไงเราจะไปตามอย่างนั้นไม่ได้หลักธรรมวินัยก็คือหลักธรรมวินยัยวันยังค่า เราจะต้องเดินตามแถวแนวของหลักธรรมวินัยเป็นหลักเป็นมาตรฐานเป็นเส้นบรรทัดจากนั้นก็ตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดําเนินมาเป็นยังไงกฎเกณฑ์สําหรับพระใหม่พระเก่าสําหรับครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าท่านวางตัวอย่างไรสิ่งเหล่านี้ผมต้องได้อออมาประมวลได้เอามาคิดทบทวนกันกรองทั้งหมด ที่การที่เป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าจะเป็นหัวหน้าโดเด่ขึ้นมาไม่คิดไม่อ่านอะไรไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่หมูพวกเพื่อนทำอะไรลงไปหรืออย่างที่พระองค์นั้นออกไปผมก็สะเทือนใจลึกๆเหมือนกันแต่ทำไมหมูพวกเพื่อนไม่ช่วยกันดูแลปกป้องไม่ทำความข้าใจซึ่งกันและกันทาไมพวกเราเข้ามาบวชเรามีจุดมุ่งหวังอะไรเรามีความมุ่งมั่นอะไร เรามีจุดประสงค์จุดยืนของเราเข้ามาบวชเพื่ออะไรแต่ตามไม่จริงพวกเราท่านทั้งหลายทุกองค์แต่ผมก็ไม่อยากตําหนิพวกผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดนะ่ะอไม่อยากตำหนิคนองที่ออกไปแล้วก็ไม่อยากตำหนิองค์ที่อยู่เหมือนกันแต่สรุปแล้วก็คือตําหนิอในส่วนรวมว่าควรจะพร้อมเพียงสามัคคีกันมีเรื่องอะไรหนักหนาพูดกับผมได้ผมยินดีรับฟังอืม ไม่ความขาดตกบกพร่องแล้วก็ผมขอเตือนหมู่พวกเพกื่อนทุกองคอย่าไปพูดล้อเล่นกันอย่าไปหยอกต่อแหลกกันอย่าไปจับไม้จับมือจับปล่กันเอออย่าไปโอบกอดกันไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพระพูดด้วยความสัมผวงด้วยความระวังเอ่อย่าไปล้อเล่นกันจนเกินไปนี่ผมเคยโดนตําหนิ ม, มาครั้งหนึ่งอย่างแรงเหมือนกันเกือบไล่นีจจักวัดเออพอเดินไป อผมก็เลยไปเอามือไปจับพระมือพระฝรั่งท่านบอากว่าอย่าให้เราได้เห็นอีกนะอันนี้มันลักษณะกิเลสซูสาวเดินควงกันมันไม่ถูกต้องไม่ใช่หลักธรรมพี่นายอย่าให้เราได้เห็นถ้าเราได้เห็นผมได้เราจะไล่หนีจากวัดทันทีจากนั้นมาผมก็เข็ดไม่ทําอีกเลยโอ้เราก็คิดว่ามันจะไม่ผิดนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้การพูดกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออะไร คือแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ตักเตือนผมมาแล้วเพวัะนั้นหมู่พเพื่อนทุกองค์การจะกระทําอะไรลงไปสิ่งไหนก็ตามให้จํารวมให้ระวังอย่าไปคอเกียร์อยไปคุ้นเชื่องจนเกินไปจนสาเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมว่าต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างมุ่งมั่นในอัดในธรรมในธรรมที่ไหนแล้วเ อ, อคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี้คงจะไม่เป็นลักษณะอย่างนั้น มันจงมีอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะนั้นผมขอกล่าวเตือนหมู่พวกเพื่อนทุกองให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมพินัยให้อยู่ในกฎระเบียบของวัดอาณาคำน้อยแห่งนี้แต่เบื้องต้นผมก็พูดแล้ว เ, เตือนแล้วครั้งแรกบอกว่ากฎเกล็กของวัดของเรายึดถือแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาบัาตตาหลวงปูล่ลา ทางว่ามีพระเกิดขึ้นเพราะวิวาทกันเกิดขึ้นจนมีการชกต่อยกันตีกันมีลงหมัดลงมวยขึ้นมาจะไม่มีการไม่ริฉยัยจะต้องหนีทั้งคู่แต่ถ้าองค์ใดเป็นคนลงมือก่อนแต่องค์นี้ไม่สู้แสดงว่าองค์นั้นองค์ที่ลงมือก่อนเป็นความผิดจะต้องหนีองค์เดียวเอออันนี้คือกฎเหล็กสําหรับพระกรรมฐานสายหลวงตาหมหาบัวเพราะนั้นผมก็เช่นเดียวกันทางว่ามูพวกเพื่อน คำอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อไหรผมก็จะไม่ได้คิดว่าลูกคนนั้นหลานคนนี้ญาติคนนั้นผมจะไม่ได้คิดอย่างนั้นผมจะต้องยึดเดินตามแถวแนวของหลักธรรมวิ น, นัยในความเมตตานะั้นมีอยอู่มีเต็มหัวใจสาหรับผมแต่ว่าเมื่อทำผิดแล้วเราจะเอาไว้ไม่ได้เสียวงการพระพุทธศาสนาเสียวงการใหญ่เพราะนั้นจะต้องให้ออกไปตามกฎระเบียบ ที่ได้บอกเอาไว้แล้วเหมือนกับนิ้วมือของเราถึงเราจะรักแสนรักแข้งขาของเราเอาไวเ้เยวะของเราถึงจะรักขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามันเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมันจะเน่าเราก็ต้องสัตขาทิ้งนี้ก็เหมือนกันถึงจะรักหมูรักเพื่อนถึงขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าว่าหมูเพื่อนองนั้นทําเสียหายเราก็จะเลี้ยงไว้ไม่ได้เหมือนกันเราก็จะต้องให้ออกไปตามกฎระเบียบพอเรารักษาส่วนใหญ่เอาไว้ ทางว่าเราไม่ตัดขามันก็จะต้องลามลุกลามขึ้นมาจนถึงอวัยวะส่วนอื่นทำให้ตายได้เพราะนั้นเราก็ต้องรักษาอวัยวะส่วนใหญ่ต้องตัดอวัยวะส่วนน้อยส่วนเล็กออกไปอันนี้ขอให้หมู่พเพื่อนทั้งหลายให้เข้าใจนะไม่ใช่ผมนั้นนะผมมีเมตตาผมรักทุกองแล้วก็พร้อมที่จะยินดีรับฟังความคิดเห็นของหมู่ทุกอง ในฐานะที่ผมเป็นหัวหนา้าผมไม่ใช่ไม่ได้ใช้อำนาจวาดสนาไม่ได้ใช้อำนาจบ า, าดาบาหลวงผมพูดคำทุกถูกต้องทุกคับไม่ใช่อย่างนั้นผมอาจจะมีผิดพลาดก็ได้แต่ถึงยังไงก็ตามผมจะต้องมองหลักธรรมวินัยเป็นหลักที่ผมพูดกล่าวมาทั้งหมดผมรับผิดชอบทั้งหมดผมว่าผมไม่ได้มีอะไรผมว่าผมพูดถูกเพราะผมยืนยันตามหลักธรรมวินัย ทำวินัยของพลเอกจัดจสังฆะโสพนาความพร้อมเพียงของหมูคณะเกิดสุขถ้าพร้อมถ้าหมู่คณะอยู่ร่วมกันไม่มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันมองกันในแง่ร้ายอยู่เสมอสงในกลุ่มนั้นก็หาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการกล่าวเตือนสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้สํารวมให้ระวังให้มีความมุ่งมั่นให้ให้ความตั้งใจจริง อย่างที่พวกเราได้ตั้งใจเอาไว้ว่าเราต้องการเราบวชมาในครั้งนี้เพื่ออะไรจุดยืนของเราเพื่ออะไรทำไมเราจึงบวชในพระพุทธศาสนาเน่ยแหละถ้าหากว่าพวกเรามีความตั้งใจอย่างนั้นแล้วใจของเราจะเย็นสบายปล่อยวางทั้งหมดะจะไม่มีอะไรที่จะมาขัดข้องหมองใจใครจะพูดอะไรก็พูดไปปาาของเขาไอ้โกีโก้ไอ้ไทเกอร์ไอ้ฮิดเหลอือมกับปลามันก็นกเหาไปตามเรือของเขา เราจะไปสนใจแต่เราจะไปพูดอยู่ในใจของเราเองเรามุ่งหวังอะไรการปวดแมมาในครั้งนี้เพรานั้นผมก็เหมือนกันที่เป็นหัวหน้าหมู่คณะอย่างนี้มอรดสมข้างหอกไม่ใช่น้อยเหมือนกันเออก็นําไปกระนามาพลาดไปเแต่ผมก็ต้องทําใจเ อ, อต้องฟังได้ทุกอย่างเไม่ใช่มันไม่มีในเกิดมาในโลกนีินินทาศศสนรเสริญโลกธรรมแปดมันมีทั้งนั้นแหละ ในคนนั้นเราจะไปหวั่นไหวเราก็ามาบวชเราจุดยืนของเรานั้นคืออะไรจุดยืนของเราเพื่อปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาเพื่ อ, อศึกษาธรรมะเข้าสู่ใจของเราเราจะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราให้มากที่สุดตักตวงเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งกฎระเบียบทั้งหลักธรรมทั้งวิ น, นัยจากนั้นก็ให้หนักแน่นในเลือกภาคปฏิบัติ นะพยายามทำจิตให้สงบให้ได้นะบริกรรมจุดไหนให้ตั้ง อ, อกตั้งใจบริกรรมให้มีสติมนะสติต้องมาก่อนต้องมีสติพยายามบังคับจิตใจให้อยู่ในความสงบอยู่เสมอทนะางว่าเราพยายามทำได้อย่างนั้นผมว่าความร่มเย็นผ้าสุขจะเข้ามาสู่จิตใจของท่านเองทุกๆุกท่านนะทางว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วใจของเราจะเย็นสบาย เมื่อเราถึงกำหนดแล้วก็ออกไปไปด้วยความยิ้มแย้มแก่มใสไปด้วยความเบิกบานไปด้วยความภาคภูมิใจนะผมอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นผมขอบจบตรวดท้ายปฏิโมกต่อ